9. กรรมปฏิภาหณะสิกขาบท132ถามทรงบัญยัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ให้ฉันทะเพื่อกรรมที่ทำถูกต้องแล้วกลับติเตียนในภายหลังณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถาม